นะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยพิจนารณาตามนี้ได้เอาไปปฏิบัติได้จริงๆอันหนึ่งเราจะไม่ก้าวล่วงรับที่ของตนแล้วก็จะไม่ก้าวกายลับที่ของผู้อื่นอันนี้วิธีรวบรวมนะแต่จะรวบรวมเอาเองตามอุปเทศอุปเทศเนี่ยคือแปลว่าถ้อยคําที่โบราณท่านชี้แนะเอาไว้และนัยยะแห่งอัตกถาแต่ปางก่อนมาแสดงตามสมควรอธิบายว่ารวบรวมไว้ซึ่งนัยยะแห่งอัตถกถาที่ท่านชี้แนะไว้ในปา ในการก่อนตามสมควรคือเพราะว่าโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เรียบเรียงเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาเป็นรูปเล่มเป็นคำภี์แบบนี้เนี่ยนะข้าพเจ้าจะกล่าวอัตถกถาชื่อว่าสัทธธรรมประกาศสีประกาศสีก็คือคําประกาศสัทธธรรมก็คือพระสัทธธรรมคำพีที่ประกาศพระสัทธรรมคือประกาศปริยัติสัทธธรรมนะประกาศปฏิบัติสัทธธรรมปฏิเวติสัทธธรรมนั่นเองเนะเขาบอกว่าจะ กล่าวอัตถกถานั้นโดยเคารพเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธธรรมตลอดกาลนานขอสาธุชนสัตว์บุรุษจงตั้งใจสดับทรงจำเอาไว้เถออิดนะรับว่าจงมนสิการโดยโสตะวิญญาณให้ดีเถิดจุดประสงค์ของผู้เรียบเรียงคำพีก็คือเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระัทธรรมนนเ นี่ต่อไปว่าความที่ปฏิสัมพิธามมัคเนี่ยเป็นมัคาแห่งปฏิสัมพิทาข้าพเจ้าจะต้องกล่าวก่อนเพราะได้กล่าวไว้แล้วในคันธารัมภกถาว่าปฏิสัมพิทานังมัคโคติตัณ น, นามวิเศษิโตจแะแปลว่าซึ่งวิสิตปาถานั้นโดยนามันวิเศษว่าปฏิสัมพิธามมัคปฏิสัมพิทาเนี่ยนะตัวปัญญาเนี่ยที่เป็นเครื่องแจกแตกฉานเนี่ยมีอยู่สประการคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัถะ สธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมะสามนิโรติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิโรตสี่ปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิปฏิภาณทางคืออุบายเป็นเครื่องบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาเหล่านั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าปฏิสัมพิธามักอันนี้อุบายหรือวิธีให้ให้มีปัญญาแตกฉามแบบนั้น มีคําอธิบายท่านกว่าไว้ว่าเป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งปฏิสัมพิทาเป็นการเข้าถึงปฏิสัมพิทาจริงๆนี่ของเรานี่มานั่งเรียนเนี่ยแสดงว่าอนาคตเนี่ยถ้าไม่เลิกเรียนซะก่อนเนี่ยชาติหน้าปฏิสัมพิทาไม่ได้ใช่ใช่หมายถึงว่าบรรลุแล้วต้องปฏิสัมพิทาเนานะจะรอชาติหน้าเดี๋ยวว่าชาตินาไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้เนะาะถา้าถ้าแปลว่าเรียนอย่างนี้แล้วถ้าบรรลุต้องเป็นเป็นกลุ่มที่พ่วงปฏิสัมพิทามาเลยนะ จะต้องไปอุทานแบบในเทราคาถาหรือเปล่าหรือในอาปทานใช่มวิโมกแปดปฏิสัมพิทาสี่อภินยาหกได้หมดเล ย, ย น, น, นี่หากจะมีคำถามคำปุถ ช, ชาว่าทางนี้เป็นทางแห่งปฏิสัมพิทาได้เพราะเหตุรดทำไมจึงได้ปฏิสัมพิทาเนะเรียนคำพีนี้ทำไมจึงมรรลุปฏิสัมพิทาก็พึงมีวิจัชนาว่าเพราะเป็นเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยประเภท เป็นเทศนาอันนำมาซึ่งปฏิสัมพิทาญาณคำเพียอะไรก็ตามนะถ้ามีการจําแนกแจกแจงไว้ละเอียดคำเพียนั้นจะนํามาซึ่งปฏิสัมพิทาแต่ยกตัวอย่างถ้าพูดแบบปิดกสามเลยนะพระวินัยปิดกเนี่ยนํามาซึ่งวิชาสามใช่ไหมถ้าแตกฉานในภัสุตันตปิดกนํามาซึ่งอภิญญาหกถ้าแตกฉานในพระพิธรรมนํามาซึ่งปฏิสัมพิทา พราะอภิธรรมเนี่แยกแยะปฏิสัมพิทาไว้อย่างละเอียดแยกแยะไว้อย่างละเอียดใช่ไหมจิตหนึ่งดวงประกอบไปด้วยเจตสิกอะไรบ้างแบ่งเป็นขันธ์อายตนะธาเป็นอินทรีย์เป็นอะไรนะจำแนกไว้อย่างละเอียดจริงๆเลยนีแล้วก็ยังไปเอาธรรมะเหล่านั้นมาจำแนกเป็นอะไรเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทเป็นต้นเนี่ยตามคมภีวิพังเนี่ยแล้วมาขยายเป็นลักษณะธาตุกระทากระทาวัตถุยมกะ แล้วก็มาจําแนกโดยปัจจัยอีกนั้นคัมภีอภิธรรมเนี่ยเป็นแนวทางเพื่อให้มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะเพราะนั้นลักษณะคมภีปฏิสัมพิทาเนี่ยนะบางกลุ่มก็ถือว่าเป็นคำพีกลุ่มอภิธรรมนะปฏิสัมพิทาเนี่ยปเป็นคมภีกลุ่มอภิธรรมเพราะนับเนื่องอยู่ในคุถกานิกายเนี่ยนะจริงอยู่ธรรมะทั้งหลายมีประเภทต่างๆเทศนาก็มีประเภทต่างๆ ย่อมให้เกิดประเภทแห่งปฏิสัมพิทายานแก่พระอริยะบุคคลทั้งหลายผู้สำับฟังคือใครที่ได้ปฏิสัมพิทาอยู่แล้วนะสมมุติอย่างพระอ น, นุนเนี่ยก็เป็นพระที่ได้ปฏิสัมพิธาอยู่แล้วถ้ามาฟังคำภีลักษณะปฏิสัมพิธามักเนี่ยนะปฏิสัมพิทายานก็จะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยแก่การแตกฉานในปฏิสัมพิทายานแก่ปุถุชนต่อไปในอนาคต อันผู้ที่เรียนปฏิสัมพิธาไว้ว่าถ้าบรรลุก็ได้ปฏิสัมพิธาสี่แน่ก็สะสมบุปนิสัยเอาไว้นะเราพูดอย่างนี้ก็เห็นด้วยกันหลายคนอ่ะเดี๋ยวเ่อคอยดูยานสูงๆไปนะั่นนะท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าประโยคนี้ยกมาจากคำพีอัทธาลินีว่าเทศนาโดยประเภทคือธรรมะที่แสดงแบบแยกแยะประเภทเนี่ย ย่อมนำมาซึ่งปฏิสามพิธายานคือเครื่องทําลายคณะสัญญาเสียได้คือถ้าถ้ามีการแยกประเภทนะถ้าแยกประเภทปั๊บจะมองออกเพราะว่าตัวปัญญาหรือตัวปฏิสามพิธามเนี่ยเป็นตัวแยกแยะเป็นตัวแยกแยะนั่นเองคาว่าเครื่องเครื่องทําลายคณะสัญญาแปลว่ารู้จักแยกแยะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นไหมคือคือมองอะไรก็จะไม่มองแบบเนี่ยจะมองแบบแยกอะ่ะ เหมือนชาวโลกเนี่ยถ้ายัางเขาเห็นน้ําต๊นะปั๊บเนี่ยเขาจะมองว่ามันมีสารอาหารอะไรอยู่ในนั้นบ้างเขาศึกษามาละเอียดเขาจะมองแบบแยกแยะใช่ไหมผู้ที่เรียนสรีระวิทยามาเนี่ยมองร่างกายเขาจะมองแบบแยกแยะเพราะนั้นผู้ที่สร้างบ้านเนี่ยเขาแยกแยะเป็นเนี่ยอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นการศึกษาถ้าทำแบบแยกแยะเนี่ยจะทําจะนํามาซึ่งปฏิสัมทิ่ทานในตอนหลังีน้แต่ก็เรียนตอนแรกๆก็อาจจะ ไม่เรียนก็ยังว่าจะยิ้มออกอย่างนั้นนะนะไม่ทุกเรื่องนี้ก็ไปทุกเรื่องอื่นนั่นแหละโทรมนัตก็มีสองอย่างไงไหมโทรมนัติอาศัยเนคธรรมะกับโทรมนัติอาศัยกามน่ะนะก็มาโทรมนัตอย่างนี้ก็ดีกว่าโทรมนัติอาศัยกามน่ะนะนี่ก็ดีแล้วก็เทศนามีประเภทอันมีอยู่ในที่นี้คือคําสอนที่ที่นํามาซึ่งการแยกแยะนะมีอยู่ในคำภีปฏิสัมพิธามัชนี้ เพราะฉะนั้นคมภีปฏิสัมพิธามักจึงเป็นเทศนาให้สําเร็จเป็นมัคคาคือเป็นหนทางเป็นแนวทางแห่งปฏิสัมพิทาทั้งหลายทีนี้นคําว่าปฏิสัมพิธาได้แก่ปัญญาเครื่องแตกฉานเหมือนั้นปัญญาเป็นเครื่องจําแนกก็ได้นะแตกฉานก็คือปัญญาเป็นเป็นตัวจําแนกแยกแยะประเภทต่างๆเป็นปัญญาเครื่องแตกฉานของยานเท่านั้นหาใช่เป็นความแตกฉานของใครใคอื่นไม่ เือถ้าศึกษาคัมภีร์นี้ไว้นะตอนหลังเนี่ยจิตจะฉลาดขึ้นฉลาดยิ่งขึ้นไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งไปฉลาดรอกแต่ปัญญาเนี่ยจะทําให้จิตเนี่ยะจะทําให้จิตนี่มีปัญญาแตกฉานแยกเนี่อะไรเป็นเพราะฉะนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าความรู้ในอัตชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในวหารแห่งภาษาอันกล่าวถึงอัฏฐและธรรมชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา ความรู้ในยามทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นคําว่าจะตัดโสปฏิสัมพิทาจึงมีความว่าประเภทแห่งยามสี่ประการคือปัญญาเนี่ยมีอยู่สี่อย่างนะปัญญาที่รู้อัดก็อย่างหนึง่งปัญญาที่รู้ธรมก็อย่างหนึ่งปัญญาที่รู้นิรุตก็อย่างหนึง่งปัญญาที่รู้ปฏิภาณเนี่ยนะก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญามีอยู่สี่ชนิดด้วยกันแต่ว่า ตัวปัญญาหนึ่งขยายเป็นสี่นั่นเองนะคือจำแนกแยกแยะเป็นประเภทได้ยานอันถึงความแตกฉานในอัตสามารถที่ทำการกำหนดสารลักษณะและวิภาวนะของประเภทแห่งผลชื่อว่าอัฐปฏิสัมพิทาก็คือยานที่แยกประเภทในอัตสามารถกระทําการพิจารณาให้ให้แจมแจ้งนะนะสามารถกำหนดแน่ซึ่งประเภทแห่งอัต ก็หมายถึงว่าปัญญาที่แยกแยะทุกขศัพดิ์โดยละเอียดเ น, น้ยกเป็นตัวอย่างนะปัญญาที่วินิจฉัยทุกขศักดิ์โดยทุกแง่ทุกมุมได้อย่างละเอียดปัญญาอันนั้นแหละชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาส่วนญาณอันถึงความแตกฉานในธรรมะสามารถทําการกําหนดสารลักษณะและวิภาวนะของประเภทแห่งเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาธรรมะในที่นี้ก็คืออะไรเช่นทุกขสมุทัยอริยสัจ หรือกับอัถะคือปัจยุบันเนี่ยนะถ้าใครเรียนปัจฐานมาเนี่ยตัวอัฐะปฏิสัมพิทาก็คือปัจจยุบันปัญญาที่รู้ปัจยุบันถ้าธรรมะปฏิสัมพิทาก็คือรู้ปัจจัยนี่นะรู้ปัจจัยส่วนญาณอันถึงความแตกฉานในนิรุตสามารถทําการกําหนดแยกแยะสาระขณะและวิภาวนะประเภทแห่งนิรุตชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาเนี่ยนะก็คือเอาปัจจัยกับปัจจยุบันมาแสดงได้อ่ะ เอามาพูดได้อ่ะนี่แหละเป็นนิโรติปฏิสัมพิทาใช่ไหมอย่างเช่นเท่าก็ตัวอย่างว่าผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาเนี่ยหนะรเช่นรู้ว่าเหตุปัจจัยเนี่ยนะเหตุตัปัจจัยนี้เป็นอะไรความรู้ในเหตุตัปัจจัยเป็นธรรมปฏิสัมพิทาถ้ารู้เหตุปัจจยุบันเช่นจิตเจตสิกที่ประกอบและจิตตชรูปเนี่ยนะเป็นผลของเหตุตัปัจจัยอันนี้ก็เป็น อัฏฐปฏิสัมพิทาสามารถเอามาแสดงได้นั่นแหละเป็นตัวนิรุติปฏิสัมพิทาแต่ว่าถ้าให้เห็นแบบกว้างๆเลยนะอัฏฐปฏิสัมพิทาคือรู้ทุกขสัจจะธรมมะปฏิสัมพิทาคือรู้สมุทัยสัจจะหรืออัฏฐปฏิสัมพิทาคือนิโรธสัจจะธรมมะปฏิสัมพิทาคือมัคสัจจะนิโรติปฏิสัมพิทาก็คือ สา ม, มารถแสดงอริยสัจได้นั่นเองเอาอริยสัจสีมาแสดงได้เรียกว่าเป็นนิรุติปฏิสัมพิทาปฏิพานอันถึงความแตกฉานเออขอไม่ยานอันถึงความแตกฉานในปฏิพานสา ม, มารถทําการกําหนดสารกขณะและวิภาวนะประเภทแห่งปฏิพานชื่อว่าปฏิพานะปฏิสัมพิทาเห็นไหมพวกนี้เป็นเป็นความสา ม, มารถพิเศษที่ไปรอบรู้เรียกว่ารู้ในความรู้อีกครั้งหนึ่ง น, นตัวปัญญาที่ตัวแรกเลยนะคือรู้อัดคือรู้ปัจจุบันตัวที่สองรู้ปัจจัยยามที่สามรู้โวหารที่ไปแสดงสิ่งเหล่านั้นส่วนที่สี่เนี่ยปัญญาที่ไปรู้ปัญญาอีกครั้งหนึ่งอนมีความสามารถไปรบรู้ปัญญาพวกนั้นเป็นอย่างดีอันนี้แหละเป็นปฏิภาณะปฏิสัมพิาทาทีนี้ขยายเพิ่มเติมพิเศษคาว่าอัถะกับคาว่าธรรมะเนี่ยนะ คำว่าอัฏถว่าโดยสังเขปคือโดยย่อได้แก่ผลอันเกิดจากเหตุแต่เหตุแต่จากกว่าเหตุนะคำว่าแต่แต่เหตุหรือจากเหตุนี่ไม่ต่างกันผลที่เกิดมาจากเหตุหรือผลมาแต่เหตุนั่นแหละเรียกว่าอัฏถ์จึงอยู่ผลอันเกิดแต่เหตุนั้นย่อมเกิดคือบรรลุถึงตามคันลองแห่งเหตุฉะนั้นจึงเรียกว่าอัฏถคือหมายว่า ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไหลามาตามมันไหลามาจากเหตุใช่ไหมอันนั้นแหละเรียกว่าอัฏฐะซึ่งหมายถึงผลผลแต่ว่าเมื่อเมื่อว่าโดยประเภทแล้วห้าประการธรรมะห้าประการเนี่ยเรียกว่าอัฏฐธะธรรมะห้าประการคืออะไรคือธรรมะอันเกิดจากปัจจัยปัจจยะสมุปปณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นนะับธาตุติจารสมุบาทนะ ชารามรณะเนี่ยเป็นปัจจยุปันของชาติชาติเป็นปัจจยุปันนธรรมของภพภพเป็นปัจจยุปันของอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจยุปันของตันหาตันหาเป็นปัจจยุปันของเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นปัจจยุปันของภาษะภาษะเป็นปัจจยุปันของ สลายตรนะักสลายตนะเป็นปัจจยุปันของนามรูปนามรูปเป็นปัจจยุปันของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจยะสมุบันของสังขารสังขารเป็นปัจจยะสมุปปณะของอวิชชาเพราะผลนั่นเอง น, น, นะตัวผลน่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งเดียวกันเนี่ยสามารถไปเป็นเหตุก็ได้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่ามองตัวเองถ้ามองคนที่เหนือกว่าก็เรียกพ่อใช่ไหม ในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นพ่อของเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็คือเนี่ยเหมือนกับถ้าเปรียบแบบคนเนี่ยนะคนนี้ก็เป็นลูกของคนนั้นอ่ะนะถ้าเป็นลูกอ่ะปัจจุบันหรือหรือรู้รู้เรื่องลูกอ่ะเป็นเรียกว่ารู้ผลรู้เหตุคือพ่ออย่างเงี้ยเรียกว่ารู้ธรรมะอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นอย่างนั้นส่วนนิพพานเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นอัตถะด้วยนะนิพพานอัตตกถา แห่งพระบาลีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วคือเนื้อความของพุทธพจน์นะความหมายที่พระพุทธพจน์ประสงค์อนะ่ะอันนั้นแหละเป็นอธัธเช่นว่าพุทธพจน์บางพุทธพจน์นะประกาศศีลใช่ไหมอย่างพระวินัยปิฎกเนี่ยอัดของวินัยปิฎกก็คือศีลนี่ยพระสุตตันตปิฎกอัดของเขาก็คือสมาธิอัดของอภิธรรมปิฎกก็คือปัญญานะนั่นแหละ